ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกาปะเิอิตชิตังปทิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจัตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนราสุยะามณิโชติระโสียาา ติโยวิวานชันตุสาปารุกวินาสตุมมาเตปพาวะวันตาไรโยสุกิธิทายุโกพาวะพิวันธนาสิลิสานิท กางวัฏาปัญญาญายยนาจันตารวัมมาวัดทานติอายุวันน้สุขังบาลายันจะโคดขินาดินนานสังกรมมีสุปฏิทิตาม ดิฆารตังหิตายาทานาโสอุปกคปติธรรมโมจายังนิด达สิโตงเปตานาปชาจักตาอุลาลามาลันจะพิโคณามโนปดินัง ตุมเฮหิปุญญาปสุตังอนาปากันตีอายวัฏทกาทานาวัฏิริวัฏทกายกาสาวัฏทกาภาวัทกาวันนาวัทกาสุขวัฏทกาโหตุสาพาทาทุก ข้าพยาเวลาโศกาสาตุจูปาทาวาอเนกะอันตรายยาปิวินาสาันโตจเตสัสสาสัยยะเสิทธิธานัง โสติภาคยังสุ ข, ขังพลังสิริอายุจาวันโนจาโพคังวุฑิจัยสวาสตวัตสาจายอายุจชิวสิทธิภาวันตุเตภาวัตุสาพภัง ราคันตุสัพเทวตาสัพพุตนุภาเวนัสธา ส, าสดีภาวนตุเตมภาวตุสตัพมางฆาลังราคันตุสัพเวตาสัพพัธมะ โนภาเวนัวสธาโสธิภาวันตุเตภาวตุสัพมาฆาลาราคันตุสัพ์วาตาสาภัสังคานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเต